สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านกำลังติดตามรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุ FM ร้อยห้าจุดสองห้าเมกะเฮิร์สสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำชีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังได้เรื่องแปดสิบพระอรหรันรวบรวมโดยสถาบันบลือธรรมห้างธรรมสภา ดิฉันเพนสีอินทรทั์ผู้จัดทารายการขอกราบขอพระคุณและอนุโมทนาในกุศลละจิตของคุณสุทธิรักษุขธรรมที่ได้กรุณาจัดส่งหนังสือธรรมะมาให้ดิฉันโดยตลอดวัตถุประสงค์เพื่อออกอากาศเผยแผ่เป็นธรรมทานทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาทั่วทุกภาคจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟัง80พระอรหันต์ค่ะ